เรื่องเล่าผีหลอนตอนของฝากจากความฝันเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่คุณน้ำได้พบเจอมาด้วยตัวเองโดยเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ1ิบปีที่แล้วตอนนั้นคุณน้ำเรียนอยู่ประมาณชั้นมนหนึ่ง คุณน้ำเป็นคนชอบสวดมนต์นั่งสมาธิมากอยู่มาวันหนึ่งตอนนั้นเวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆคุณน้ำก็นั่งสวดมนต์อยู่บนเตียงในห้องตามปกติพอสวดมนต์จบคุณน้ำก็ได้นั่งสมาธิต่อกำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธไปเรื่อย พอนั่งไปสักพักคุณน้ำก็รู้สึกว่าเสียงรอบข้างมันได้เงียบลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจเท่านั้นแล้วอยู่ดีๆคุณน้ำเห็นตัวเองนั่งสมาธิอยู่แต่รอบรอบข้างนั้นเป็นสีดำมองอะไรไม่เห็นเห็นเพียงแค่ตัวเองที่กำลังนั่งสมาธิอยู่ ตอนนั้นคุณน้ำตกใจมากไม่รู้จะทำยังไงพยายามนั่งทับร่างของตัวเองแต่ก็กลับเข้าร่างไม่ได้เหมือนกับว่าจิตของคุณน้ำกำลังหลุดออกยิ่งพยายามเข้าใกล้ก็เหมือนยิ่งถอยไกลออกมาจากร่างสักพักคุณน้ำก็เห็นแสงสีขาวส่องสว่างมาจากด้านบนหัว พร้อมกับเสียงของคนแก่ที่แยกไม่ออกว่าเป็นเสียงของผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่แต่เสียงนั้นเขาพูดประมาณว่ามาทางนี้สิตามแสงสีขาวนั่นไปตอนนั้นคุณน้ำไม่มีทางเลือกก็เลยเดินตามแสงนั้นไปจากแสงจุดเล็กๆอยู่ดีๆมันก็สว่างวูบขึ้นมา ขุนน้ำรู้สึกตัวอีกทีก็เหมือนกับหลุดจากพวังกลับเข้ามาในร่างที่กำลังนั่งสมาธิอยู่ขุนน้ำรู้สึกเหนื่อยมากเหงื่อท่วมตัวไปหมดแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยแผ่เมตตาตามปกติหลังจากนั้นขุนน้ำก็ใช้ชีวิตตามปกติได้เอาเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ไปเล่าให้กับเพื่อนๆฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อ คุณน้ำก็เลยไม่ได้สนใจอะไรหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ 2-3 อาทิตย์คุณน้ำกลับมาจากซ้อมวงโยธาทิ์ด้วยความที่ซ้อมหนักและเพลียสะสมทำให้คุณน้ำกลับมาถึงก็รีบอาบน้ำเข้านอนก่อนนอนคุณน้ำก็ไม่ลืมที่จะสวดมนต์แผ่เมตตาจากนั้นก็เข้านอนตามปกติ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าอยู่ดีๆคุณน้ำก็ฝันในความฝันนั้นคุณน้ำได้ไปยืนอยู่ในทุ่งหญ้าที่สวยงามมากมีภูเขาลำธารสัตว์น้อยใหญ่เหมือนในนิทานเจ้าหญิงคุณน้ำเดินเล่นชื่นชมธรรมชาติไปได้สักพัก แล้วอยู่ดีๆก็มีชายร่างใหญ่เดินเข้ามาหาแล้วก็ถามกับคุณน้ำว่ามาเล่นอะไรแถวนี้ไม่กลับบ้านหรือคุณน้ำก็เลยบอกไปว่าเดี๋ยวก็จะกลับแล้วชายคนนั้นเลยบอกว่ามาเดี๋ยวจะพาไปส่งตอนนั้นคุณน้ำไม่รู้นึกยังไงได้เดินตามชายคนนั้นไป ระหว่างที่คุณน้ำเดินไปนั้นก็คุยกับชายคนนั้นไปแต่จำไม่ได้ว่าคุยอะไรกับชายคนนั้นบ้างคุณน้ำเดินไปสักพักก็รู้สึกว่าเหนื่อยมันเดินมาไกลามากก็เลยถามกับชายคนนั้นไปว่าเมื่อไหร่จะถึงคะนะหนูเหนื่อยแล้วอยากกลับไปหาแม่ชายคนนั้นหันมายิ้มมุมปากแล้วตอบว่า ใกล้จะถึงแล้วแหละอีกนิดเดียวแล้วหลังจากนั้นคุณน้ำก็เดินต่อไปอีกสักพักแล้วก็เริ่มหยุดเดินจากนั้นก็ร้องหาแม่ชายคนนั้นก็เดินเข้ามาหาแล้วกระชากแขนซ้ายของคุณน้ำแล้วลากให้เดินตามเขาไปด้วยความที่เป็นเด็กคุณน้ำเลยสู้แรงเขาไม่ได้ ชายคนนั้นบีบแขนแรงมากแรงจนคุณน้ำเจ็บจนร้องไห้เรียกหาแต่แม่แต่ชายคนนั้นตวาดเสียงดังว่ามึงจะร้องอะไรนักหนาแม่มึงไม่มาหรอกใครก็ช่วยมึงไม่ได้จบคำพูดที่ชายคนนั้นพูดรอบข้างของคุณน้ำก็กลายเป็นเหมือนนรกท้องฟ้าที่เคยสดใสก็กลายเป็นสีแดง ภูเขาทุ่งหญ้าที่เขียวขจีตอนนี้มันกลับกลายเป็นหญ้าแห้งต้นไม้แห้งสัตว์น้อยใหญ่ตอนนี้มันเหลือแต่โครงกระดูกแต่สิ่งที่ทำให้คุณน้ำตกใจไปมากกว่านั้นก็คือชายคนที่กำลังบีบมือคุณน้ำแน่นอยู่นั้นตอนนี้ตัวของเขากำลังมีไฟไหม จากนั้นตัวของเขาก็กลายเป็นสีดำเห็นเพียงลูกตาสีขาวน่ากลัวมากคุณน้ำรู้สึกถึงความร้อนบริเวณที่เขาจับแขนคุณน้ำอยู่คุณน้ำเลยพยายามสะบัดมือออกแต่เขาก็บีบมือแน่นขึ้นจากนั้นเขาก็กระชากร่างคุณน้ำให้ไปอยู่ที่เหวเหวหนึ่งซึ่งในเหวนั้นมันเหมือนกับขุมนรก มีแต่เสียงโหยหวนกรีดร้องของคนหลายคนมีทั้งเสียงของผู้หญิงและเสียงผู้ชายคุณน้ำเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากยิ่งร้องไห้หาแม่ผู้ชายคนนั้นก็ลากให้ไปใกล้เหวนั้นมากขึ้นแล้วอยู่ดีๆชายคนนั้นก็กระโดดลงไปในเหวทั้งที่ยังจับมือของคุณน้ำไว้แน่น ตัวคุณน้ำถลาไปตามแรงกระโดดของชายคนนั้นร้องห้อย่างหนักเรียกหาแต่แม่ระหว่างนั้นคุณน้ำเห็นตอไม้ตอหนึ่งก็เลยเอามือไปเกาะตอไม้นั้นก่อนที่ตัวของคุณน้ำจะตกลงไปข้างล่างเหวนั้นตัวคุณน้ำในขณะนี้ห้อยตองแตงมือซ้ายโดนชายคนนั้นดึงมือขวาเกาะตอไม้ไว้แน่น แล้วอยู่ดีๆชายคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วพูดด้วยเสียงโหดใส่คุณน้ำว่ากูตามมึงมานานกูจะเอามึงไปอยู่กับกูให้ได้มึงต้องไปกับกูเขาพูดแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบคุณน้ำเลยถามไปด้วยความโมโหว่ากูไปทำอะไรให้มึงปล่อยกูกูจะกลับไปหาแม่ พร้อมด้วยคำด่าอีกมากมายที่หลุดออกมาจากปากแล้วอยู่ดีๆก็มีมือมือหนึ่งมาจับมือของคุณน้ำแล้วดึงมือคุณน้ำขึ้นไปซึ่งมือนั้นก็คือมือแม่ของคุณน้ำนั่นเองคุณแม่บอกว่าแม่มาช่วยแล้วไม่ต้องกลัวพร้อมบอกกับชายคนนั้นว่าปล่อยลูกกูอย่ามายุ่งกับลูกกู คุณแม่ดึงคุณน้ำขึ้นไปจากเหวแต่ชายคนนั้นไม่ยอมปล่อยมือแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยใช้เท้าถีบไปที่หน้าอกของชายคนนั้นแบบเต็มแรงจนชายคนนั้นมือหลุดออกจากแขนของคุณน้ำคุณน้ำนั่งกอดแม่แล้วร้องไห้กับแม่ ระหว่างที่ชายคนนั้นกำลังตกไปข้างล่างเหวนั่นเขาก็มองมาที่คุณน้ำแบบสายตาอาฆาตแล้วพูดว่ากูไม่ปล่อยมึงไว้แน่กูจะตามหามึงให้เจอไม่ว่าจะนานเท่าไหร่จบคำพูดที่ชายคนนั้นพูดคุณน้ำก็สะดุ้งตื่นเนื้อตัวมีแต่เหงื่อรู้สึกเจ็บแขนเล็กน้อยแต่ด้วยความที่อ่อนเพลียก็เลยขมตานอนต่อ ตอนเช้าขณะที่กำลังแต่งตัวส่องกระจกหวีผมคุณน้ำก็สังเกตเห็นรอยไหมที่แขนซ้ายของคุณน้ำพอดูชัดๆมันเหมือนมีรอยมือคนห้านิ้วที่กําแขนคุณน้ำในความฝันมันเลยทำให้นึกถึงเรื่องที่ฝันเมื่อคืนจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้รอยนิ้วนั้นก็ยังอยู่ แต่รอยแผลเป็นนั่นมันก็ได้เลือนหายไปตามการเวลาจาก5นิ้วตอนนี้เหลือที่เห็นชัดๆเลยแค่3มนิ้วหรือว่าสารอยยาวๆแค่นั้นเองและอีกอย่างหนึ่งหลังจากที่คุณน้ำได้ฝันครั้งนั้นคุณน้ำก็นั่งสมาธิไม่ได้อีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ